าศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่นำสัตว์ให้ข้ามโลกข้ามสงสารถึงพระนิพพานเป็นที่สุดแห่งทุและยอดแห่งความสุขทั้งหลายไม่มีข้อสงสัยเปรียบได้กับเรือใหญ่ ที่ขี่ข้ามมหาสมุทรทะเลหลวงผู้จะข้ามมหาสมุทรด้วยเรือย่อมถือเรือเป็นสำคัญไม่เห็นสิ่งอื่นใดดียิ่งกว่าเรือในขณะหรือเวลาที่ข้ามน้ำด้วยเรือนั้น ย่อมถึงฝั่งแห่งความปลอดภัยมีผู้ยึดหลักธรรมหลักวินัยของพระพุทธเจ้าที่รวมแล้วเรียกว่ า, าศาสนธรรมมาเป็นข้อปฏิบัติฝากจิตใจพร้อมทางการปฏิบัติทุกด้านไว้กับหลักธ ร, รมหลักวินยัย ยอมจะเป็นไปเพื่อความสงบเย็นใจแก่ตัวเองเป็นลําดับลําดาถ้าไม่ปล่อยใจหรือปล่อยความประอยพิชให้ออกนอกลู่นอกทางห ล, ลักธรรมหลักวินัยไปเสียเท่านั้นความเดือดร้อนความทุก จะไม่มาลังปานหรือมาหลังแกจิตใจหรือบีบบังคับใจิตใจให้เกิดความทุกได้แต่ส่วนมากผู้ปฏิบัติธรรมมักจะถือเอาความรู้ความเห็นซึ่งเป็นความเคยชินของกี่เลิดชุดลากไปอยู่ตลอดเวลานั้นมาเป็น ข้อคิดข้อดําการดําเนินไปเสียโดยลืมหลักทําหลักวินยัยทั้งๆั้ ท, ที่ตนก็ว่าตนประพฤติตามหลักธรรมหลักวินยัยนั่นแหละที่ทําให้เสียไปได้เผลอจากหลักหรือเผลอจากทางที่จะให้พ้นภัยไปโดยลําดับได้เพราะเหตุนี้เอง เพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการทุกๆครั้งเราเลือบจะพูดได้ว่าทุกครั้งที่ได้ให้การอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงไม่อาจจะลดละปฏิปทาเครื่องดำเนินของพระบร ม, มาศาสดาและของพระสาวกทั้งหลายให้ปีเป็นอย่างอื่นไปได้ พูดเริ่มตั้งแต่ที่อยู่ที่อาศัย ส, สถานที่บำเพ็ญเรื่อยไปนี่ละเว้นไปไม่ได้เพราะความเผลของผู้นับถือพุทธศาสนาจะพ่ออย่างยิ่งคือผู้ปฏิบัติเช่นพระทุรงกรรมฐานเรามักจะห่างเหินจากหลักธรรมที่ถูกต้องแน่นยํานี้ไปเรื่อย จนกลายเป็นเรื่องธรรมดาถ้าได้ปฏิบัติตามความถนัดใจหรือความชอบใจของตนไปเสียและยังทำให้เป็นความหวังซึ่งเกิดจากการระบายออกหรือการกระทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆไม่มองย้อนหลังว่าการประพฤติการดำเนินอย่างนั้นถูกหรือผิด จากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่พาดำเนินมาอย่างไรหรือไม่เมื่อน า, นานไปเป็นอย่างนั้นหากเราได้ดำเนินตามปฏิปทาที่ทรงพาดำเนินมาด้วยความสนใจจดจ่อทุกระยะการที่ปฏิบัติแล้ว ผลที่จะพึงเห็นอันเกิดจากปฏิปทาเครื่องดำเนินตามท่านย่อมจะปรากฏไปโดยลำดับนับแต่ขั้นความสงบเย็นใจที่เรียกว่าสมถะธรรมนี้เป็นต้นไปเพราะสมถะธรรมเป็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้น ไม่เกิดขึ้นจากความจดจำความบอกเล่าใดๆทั้งสิ้นความจดจำก็คือการศึกษารเรียนได้มามากน้อยนั่นแหละจำได้คาบอกเล่าใครๆก็บอกเล่าได้แต่ไม่เป็นสมถะธรรมสมถะจิตปุณนาวายๆๆสมณะจิตได้จากจิตที่สงบ เกิดไม่ได้ต้องอาศัยภาคปฏิบัติเป็นสำคัญดังพระพุทธทเจ้าของเราได้ทรงพาดำเนินมาคำว่ า, าศาสนธรรมที่ออกประกาศสอนโลกเลื่อยมาแต่ครั้งพุทธกาลจนมาตทั่งปัจจุบันนี้ได้มาจากการประพฤติปฏิบัติของพระพุทธทเจ้าเป็นพระองค์แรก เกิดความรู้ทั้งหมดที่ว่าสัพพันญูหรือรู้เ ย, ออยียธรรมทั้งหลายนั้นรู้จืจากภาคปฏิบัตินี้ทั้งสิ้นไม่รู้จากความด้นเดาไม่รู้จากการคาดคะเนไม่ได้รู้จากการบอกเล่าจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยแต่เกิดขึ้นจากการขวนขวายการประพฤติปฏิบัติของพระองค์เองที่เรียกว่าสยามผู คือการปฏิบัติก็ทรงคน้คนคขวายเองการรู้การเห็นในธรรมทุกแง่ทุกมุมจนกระทั่งกลายเป็นเยียธรรมได้แก่รู้ทำทั้งหลายที่ควรจะรู้จะเห็นในวิสัยของพระพุทธเจ้าทรงรู้ได้ตลอดทั่วถึงก็เป็นไปด้วยการค้นขวายของพระองค์เองทั้งนั้นคือจากภาพปฏิบัติ เพราะฉะนั้นธรรมที่ประกาศสอนโลกด้วยมาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระชน์อยู่จนกระทั่งปัจจุบันนี้จึงเป็นธรรมที่การกรองมาแล้วด้วยการปฏิบัติทุกแง่ทุกมุมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไปเที่ยวหยิบยืนมาจากผู้หนึ่งผู้ใดหรือตำหลั บ, ตำ ล, บตำลาคำภีใดลทัทธิใดทั้งนั้นแต่เป็นขึ้นเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติของพระองค์เอง นี่พื้นฐานแห่งศาสดาผู้ประกาศธรรมสองโลกท่านก็แสดงตัวอย่างไว้ให้เห็นชัดเจนทั้งฝ่ายเหตุคือการปฏิบัติพระองค์ก็ทรงดำเนินมาเองดำเนินมาแล้วทั้งภาคของผลที่เกิดขึ้นนับแต่เริกขั้นเริ่มแรกแห่งธรรมจนกระทั่งิมุตรอุดพ้น ความรู้ที่เหนือแดนโลกธาตุครอบโลกธาตุเสียทั้งหมดก็ได้จากการประพฤติปฏิบัติของพระองค์เองอันเป็นแบบฉบับอยู่แล้วผู้ปฏิบัติจึงควรคำหนึงถึงการดําเนินของพระองค์แล้วน้อมนํามาเป็นข้อปฏิบัติสําหรับตัวของเราเองผลจะพึงได้รับจะไม่นอกเหนือไปจากห้องรอยของศาสตาที ที่ทรงได้รับผลและทรงแสดงไว้แล้วนี่เลยข้อสำคัญขอให้เข้มงวดกวดขันในภาคกิตะภาวนาด้วยสถานที่เหมาะสมคือป่าคือเขาลเนอไพรนี้เป็นสำคัญมากสำหรับพระปฏิบัติเรา ถ้าอยากจะทรงมรรคทรงผลดังท่านทรงและประกาศสอนไว้แล้วนี้หากปีกจากร่องลอยที่ทรงแสดงไว้แล้วนี้จะไม่มีหวังได้พบได้เห็นในธรรมทั้งหลายที่ประกาศสอนไว้แล้วนั่นเลยคำว่ากรรมฐานก็จะมีแต่ชื่อที่ตัวเองก็เสกสรรปั้นยอขึ้นและภูมิใจคนอื่นก็ นิยมชมชอบเพราะเข้าใจว่าเป็นตัวจริงเป็นกรรมฐานจริงสุดท้ายมันก็ปลอมอยู่ในตัวของผู้ที่เสกสรรปั้นยอตนว่าเป็นกรรมฐานนั่นแหละเพราะไม่ได้ปฏิบัติตามร่องรอยของศาสดาที่ทรงสอนไวธรรมะกับเราผู้ปฏิบัติก็นับวันเหินห่างกันไปทั้งเพราะเหตุพาให้เหินห่าง ผลจะปรากฏหรือมีช่องทางเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อเหตุไม่เปิดช่องเปิดทางให้ผลซึ่งควรจะเกิดได้เกิดขึ้นตามปฏิปทาเครื่องดำเนินของตนด้วยเหตุนี้จึงให้ควรตระหนักใจอยู่โดยสม่ำเสมอในการปฏิบัติอยาได้เห็นกิจการงานใด เลิศเลยยิ่งกว่าภาคปฏิบัติเริ่มตั้งแต่สมถะธรรมคือการภาวนาเพื่อจิตใจได้รับความสงบผ่องใสภายในจิตใจสิ่งใดผ่องใสก็สู้จิตผ่องใสไม่ได้อะไรสงบอะไรเย็นก็สู้จิตสงบจิตเย็นไม่ได้อะไรที่ว่าสุ ข, สข ใครจะว่า ส, สุขที่ไหนก็ระก็ตามสุขด้วยสมบัติเงินทองเข้าของสุขด้วยยศถาบรรดาศักดิ์สุขด้วยสิ่งทั้งหลายที่โลกนิยมเสียกสันกันขึ้นปั้นยอกันขึ้นก็ตามนั่นเป็นเพียงความส่งเสริมความเพียงลมปากความนิยมของจิตแต่และดวงละว ง, วงที่ชอบอยู่แล้วเสียกสันปั้นยอขึ้นเท่านั้นไม่ใช่ความจริงที่ปรจักดังจิตที่มีความสงบเย็นด้วยภาคปฏิบัติ ศาสนะธรรมตามร่องรอยแห่งศาสาะนี่เป็นหลักสำคัญมากคำว่าจิตป่องใสไม่ได้เหมือนสิ่งอื่นสิ่งใดผ่องใสส่งผลให้เจ้าของเห็นได้อย่างชัดเจนในตัวของเรานั่นแหละแม้จะไม่เคยพบเคยเห็นความป่องใสนั่นเลยแต่ขอให้จิตได้ก้าวเข้าสู่ความสงบเพราะการปฏิบัติด้วยดีนั้นเถอ ความสงบจะของใจจะเย็นจะเป็นพร้อมกับความเย็นจะเกิดขึ้นความปองใสก็จะเกิดจะปรากฏขึ้นเป็นเงาตามตัวของผู้ปฏิบัตินี่เป็นของสำคัญสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเฉพาะเราซึ่งเป็นนักบวชและนักปฏิบัติเพื่ออาจเพื่อทมซึ่งเป็นของเลิอเล่อนเลอตามทางศาสดาด้วยแล้ว ยิ่งควรยิ่งจะต้องถือการประพฤติปฏิบัติทมนี้เป็นของสําคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดสิ่งนอกนั้นเป็นแต่เพียงเครื่องอาศัยไปวันหนึ่งเวลาหนึ่งเท่านั้นหาความแน่นิรังถาวรและแน่นอนจากสิ่งใดใดไม่ได้เลยแม้ที่สุดแต่สารพางร่างกายของเหล่านี้ยังจะต้องแตกต้องทําลายแม้จะยังไม่แตกก็แสดงความรวดร้าวให้ปรากฏอยู่ตลอด ในอีริยบทต่างๆจึงต้องได้เปลี่ยนท่านั้นท่านี้พายืนพาเดินพานั่งพานอนพาขับพาถ่ายพาขบพาฉันล้วนแล้วตั้งแต่สิ่งเหล่านี้มันผันแปรอ ย, อยู่ตลอดเวลาจำต้องได้วิ่งเต้นควนขวายเพื่อแก้เพื่อไขบรนเทากันพอให้เป็นไปได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งนั่นแหละ หาสิ่งเหล่านี้เป็นของแน่นอนเป็นของกิรังถาวรแล้วสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องขวัญขวายจะต้องวิ่งเต้นไปตามาธาตุขันนี่เลยนี่เพียงร่างกายของเราก็หาความแน่นอนไม่ได้แล้วหาความดิบความดีไม่ได้ถ้าไม่พาทําการทํางานที่เป็นส่วนความดีงามทั้งหลายเช่น พาประกอบคุณงามความดีมีการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่พอที่จะให้ผลเกิดขึ้นจากขันนี้จึงจะเกิดจึงจะมีลําพังขันต้องเป็นสภาพพงเตียงอยู่อย่างนี้ด้วยกันทุกรูปทุกนามเราอย่าไปตื่นในสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของไม่น่าตื่นเลยเห็นอย่างชัดๆกันอยู่นี้ว่าอะไรในตัวของเราของเขาทั่วโลกดินแดน มันมีการมีความแตกต่างกันอย่างไรพอที่จะหลงจนลืมเนื้อลืมตัวและตั้งความหวังกับสิ่งเหล่านี้จนไม่รู้จักเป็นจักตายมีแต่เพ้อแต่เพลิน ม, มีแต่ความหวังไปวันยั่งค่ำคืนยังรุ่งสุดท้ายผลที่ได้ก็คือความแตกความสลายความตายไปนั่นแหละไม่มีใครสมหวังในโลกนี้จึงไม่มี ศาสนาหรือนักปราชญท่านใดจะมาชมเชยว่าสิมงนีเลิศเลยยิ่งปวดธรรมซึ่งควรจะเกิดขึ้นจากขันนี้ประกอบหรือเป็นเครื่องมือบำเพ็ญขึ้นมานีเวลานี้ชีวิตจิตใจของเราก็ยังครองล่างอยู่และเป็นโอกาสอันดีงามอย่างยิ่งที่ได้มาบวชในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าสวาัสดธรรม อีองศ า, ศาสดาประกาศสอนไวแล้วอย่างถูกต้องมั่นยำไม่มีที่สงสัยเลยแล้วเราได้ครองผ้ากาสาวัติซึ่งเป็นธงชัยของพระพุทธเจ้าที่โลกทั้งหลายเคารพกันมากมายเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเมื่อเห็นผ้าเหลืองแล้วทําอะไรไม่ลงแม้จะกิกจจะโกรธจะแค้นก็ก็โกรธแค้นไม่ลงในผ้าเหลืองนั้นเพราะเคยให้ ผ้าเหลืองนี้เคยให้ความล่มเย็นแก่โลกมานานแสนนานเนื่องจากพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ครองผ้าเหลืองทรงผ้าเหลืองมาทั้งนั้นพระสาวกของพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากเพียงไรก็ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ครองผ้ากาสาวาพัฒมาจึงเป็นผ้าที่ยจึงเป็นเครื่องหมายที่ให้ความล่มเย็นแก่ตาแก่ผู้มีความรู้สึก สัมผัสเกี่ยวข้องกับผ้าเหลืองนี้โดยทั่วกันไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดเราก็ได้นำผ้าเหลืองนี้มาคลองร่างของเราเป็นเพศของพระของเ น, นขึ้นมาควรที่จะรู้สึกตัวเองว่าผ้าเหลืองนี้เป็นมาอย่างไรผ้าเหลืองนี้ใครเป็นผู้ประสิทธิ์ประสัให้มาแต่ดั้งเดิม แล้วมาตกกับเราแล้วมาคุกเข้ากับความขี้เกียจที้คร้านความท้อแท้อ่อนแอความไม่เอาไหนอย่างนี้สมควรแล้วหรือที่จะเอาภาชนะทองคํามาบรรจุมูดคูดเต็มไปหมดด้วยมูดด้วยวคูดอย่างนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะผ้ากาสาวพัฒนั้นถ้าเทียบก็เหมือนทองคําเราครองอยู่นั่นก็เหมือนกับเป็นวัตถุอันหนึ่งที่อยู่ในภาชนะทองคํานั้น จึงไม่ควรจึงควรมีหิริโอตตปะต่อผ้ากาสาวพัดที่ตนยังครองอยู่เวลานี้ว่าผ้ากาสาวพัดนี้ไม่ไม่อยู่กับคนชี้เกียร์ชีกค้านคนท้อแท้อ่อนแอคนเห็นโลกว่าดีกว่าธรรมต้องเป็นผู้เห็นธรรมว่าว่าดีเลิศกว่าสิ่งใดในโลกตามหลักความจริงนี้เท่านั้น พระพุทธเจ้าก็ทรงเลิ่อนครองผ้าเหลืองผ้ากาสาวพัดพระสาวกก็เลิด่ด้วยด้วยคลองผ้าเหลืองผ้ากาจาวพัดนี้ด้วยเมื่อผ้ากาจาวพัดนี้ออกมาจากท่านผู้รู้ผู้ฉลาดผู้มีความขายันหมั่นเพียรผู้มีความอดความทนผู้มีความไตร่ตรองทุกแง่ทุกมุมที่ความเคลื่อนไหวของใจแสดงออกแล้วเวลา มาตกอยู่กับเรามันทําไมจึงเป็นผ้ากาศวพัฒที่มาครองล่างแห่งบุคคลผู้ไม่เป็นท่าไม่สมควรอย่างยิ่งขอให้ทุกๆ ท, ท่านนําไปพินิจพิจนะารณาแล้วการดําเนินตามหลักาศาสนธรรมที่ครูบาอาจารย์สอนไว้กว็ดีตามตํำรับตาลาที่ท่านจดจารึกไว้กว็ดีไม่มีสิ่งใดที่จะให้เกิดความสงสัย ว่าไม่เป็นจริงตามนั้นพูดถึงศีลก็ท่านผู้ทรงศีลแล้วมาสั่งสอนโลกคือพระพุธทธเจ้าพูดถึงธรรมก็ผู้ทรงธรรมแล้วทุกประเภทจนกระทั่งถึงนิมมุติธรรมก็คือองค์าศาสดานำธรรมมาสอนโลกพูดถึงสมาธิพูดถึงปัญญาก็ท่านเป็นผู้ทรงไว้แล้วซึ่งสมาธิซึ่งปัญญาเต็มพระทย ยิ่งนำมาสั่งสอนโลกจึงไม่มีอะไรที่ว่างเปล่าจากความจริงที่ประกาศสอนไว้ทรงสอนไว้ตามหลักความจริงทุกแง่ทุกมุมทรงตรัสในเรื่องใดเรื่องนั้นเป็นของมีจริงและทรงรู้ทรงเห็นแล้วถึงนำมาตรัสมาสอนโลกเล่าผู้พึง ผ, ผู้ปฏิบัติตามท่านเพียงเท่านั้นก็จะถือว่าเป็นความลำบากลาบน ให้กิเลสฉุดลากเาไปเป็นอาหารของมันทั้งวันทั้งคืนเดินเดิน น, น, นั่งนอนล้วนแล้วแต่เป็นกิริยาแห่งความเป็นอาหารของกิเลสอย่างนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งกับเราซึ่งเป็นพระและเป็นนักปฏิบัติที่โลกเขาเขารบเลื่อมใสว่าเป็นพระทุโธงกรรมฐานให้พึงล้ำลึกตนเสมอในเรื่องเหล่านี้อย่าลืมการปฏิบัติตน เื่อความเลิ่เลอสิ่งที่เลิดเลอเลิ่อเลอมาตลอดคือทรรมไม่เคยยดหย่อนผ่อนคุณภาพลงไปกับผู้ใดรายใดเรื่องใดเลยก็คือทรรมนั่นแหละขอแต่ผู้ปฏิบัติให้ก้าวเข้าไปให้ถึงทำรรแขนงนั้นๆจนกระทั่งถึงเข้าถึงแก่นธรรมถึง ไม่ต้องบอกต้องเสกต้องสันว่าเลิอดว่าประเสริฐอย่างใดก็ตามหากจะทราบเต็มหัวใจของผู้ทรงไว้ซึ่งทมประเภทนั้นนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยทรงทราบจากผู้ใดไม่มีใครบอกเลยว่าทำอันเลิศคือวิมุตติธรรมที่ทรงตรัสรู้นั้นได้มาจากใครใครเป็นคนสอนพระองค์ยังทรงทราบประจักษ์พระไถยตลอดถึงสาวกที่ได้ยินได้ฟัง อุบายต่างๆจากพระพุทธเจ้าทั้งเหตุทั้งผลเมื่อนำมาปฏิบัติแล้วจนกระทั่งถึงได้เจอธรรมประเภทนั้นก็หมดความสงสัยที่จะทูลถามพระพุทธเจ้าอีกต่อไปนี่และธรรมนั้นเป็นธรรมประเภทเดียวกันกับจิตของผู้ปฏิบัติธรรมจะพึงสัมผัสโดยไม่ต้องสงสัยถ้าไม่ประมาทปล่อยให้กิเลสเอาไว้เป็นอาหารเช้าอาหารเย็นอาหารกลางวันมันเสียเท่านั้น เราสงสัยอะไรเรื่องอัดเรื่องธทรรมที่ประทานไว้แล้วตลอดถึงครูบาอาจารย์นามาแนะนาสั่งสอนมีบกพร่องที่ตรงไหนนอกจากมันบกพร่องอยู่กับตัวของเราเองเริ่มตั้งแต่ความเคลื่อนไหวของจิตที่คิดที่ปรุงออกมามากจะเป็นเรื่องของกิเลสเสียมากยิ่งกว่าจะเป็นเรื่องของธรรมถ้าเป็นเรื่องของธรรมก็มีอย่างมากก็ 5% เปอร์เซน 95% มากจะเป็นเรื่องของกิเลสจะทั้งมวล น, นี่เราพิจารณาดิแล้วเราจะเอาความเลิศเลยจาก 5% ไปสังหารหรือไปรบลากับกิเลสปราบกิเลสให้สิ้นซากไปได้อย่างไรกิเลสมีกําลังถึง 95% เรามีกําลังเกี่ยวกับเรื่องธรรมเพียง 5% นี่ถ้าเทียบถึงการรบกันแพ้อย่างหลุดลุย่ย ไ ม, ม ไ, ไม่มีอะไรที่ควรให้อภัยไม่มีอะไรที่ควรวินิจฉัยว่าแพ้หรือชนะที่ใช่เกิดข้อข้องใจประจักรด้วยกันทั้งนั้นว่าแพ้แพ้วันหนึ่งคืนหนึ่งเราแพ้มาเท่าไหร่การที่จะตะเกียกตะกายตัวของเราจิตของเราเพื่ออาดเพื่อทำอเราตะเกียกตะกายไม่ได้แล้วเราจะทำอย่างไรเราจะหวังพึ่งอะไร นั่นก็เป็นคนหมดหวังทั้งๆ ท, ที่ตนก็ภูมิใจอยู่ว่าเราเป็นนักบวชเราเป็นพาะรวมกรรมฐานนี่มันมีตั้งแต่ลมแต่แรงหวังหน่ล ม, ลมแรงแรงหาความกินประจักษ์กับใจไม่ได้ถ้าพูดถึงเรื่องความสงบมันก็มีแต่ความฟุ้งซ่านเต็มหัวใจเสียแทนความสงบอ น, นันแล้วจะหาความเย็นมาจากไหนหาความเลิศเลยมาจากไหนหาความภูมิใจตามหลักความจริง ที่ว่าสงบสงบนั้นมาจากไหนมันไม่เจอเนะี่พูดถึงเรื่องปัญญาปัญญาท่านก็แสดงไว้แล้วกี่ประเภทจนกระทั่งเหนือโลกเหนือสงสารเสียหาที่ประมาณไม่ได้นี่มันท่านเรื่องของเรามันก็มีแต่ความโง่เง่าเต่าตุ่นไปเสียขี้เกียจคิดขี้เกียจอ่านขี้เกียจพินิจพิจารณาทางเรื่องอัดเรื่องทำไม่เหมือนคิดเป็น ด้วยอำนาจของจิตเลสถุดลากไปซึ่งครั่งตัวทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนกต่ทุกขณะ ไ, ไม่มีคําว่าฝืดว่าเครืองไม่มีคําว่าฝืนกันและต่อสู้กันมีแต่เรื่องของจิตเลสลากไปแทนปัญญาที่แท้จริงซึ่งพระองค์ท่านทรงสอนไว้นั้นเสียคาว่ามิมุดก็มีแต่ความจมของขิดมิมุมดกับความจมมันต่างกันอย่างไรบ้างก็พิจารณาดูสิความจมความติด อยู่ในมูดในคูดคือขี้โกคขี้ปวขี้หลงนะกับความหลุดพ้นจากสิ่ง อ, อันนี้ไปเสียนั้นมันต่างคนคนละต่างคนกับมันต่างกันคนละโลกนะมันมีแต่สิ่งที่บรรจุ ด, ด้วยของไม่เป็นท่าเต็มหัวใจอยู่อย่างนี้แล้วเราจะหวังลมหวังแรงไปที่ไหนถ้าไม่พยายามตะเกียกตะกายตนให้สุดสติกําลังความสามารถของเราตามทางศัสดาที่สงสอนไว้เท่านั้น ไม่ชินชา ก, กับกิเลสให้รู้ว่ากิเลสเป็นกิเลสมาตลอดลับตลอดกันแล้วให้ความทุกข์ความลําบากความทรมานแก่สัตว์โลกมามากต่อมากนานแต่นานแล้วเหตุใดจะมาเป็นมิตรเป็นสหายเป็นความหยิบความดีกับหัวใจเราดวงนี้เพียงดวงเดียวโลกทเหล่านั้นได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะกิเลสแต่หัวใจของเราได้รับความสุขความสบายเหนือโลกเหนือสารเพราะกิเลสเป็นเครื่องชุบเลี้ยงหลืเป็น เป็นเครื่องส่งเสริมีที่ไหนก็มีแต่ธรรมเท่านั้นศาสดาองค์ใดมาตรัสมาสอนไว้ก็มีตั้งแต่เรื่องของธรรมเรื่องของธรรมถึงเรื่องความภาคเพียรถ้าสมณะเราไม่ภาคเพียรใครจะเป็นผู้ภาคเพียรในเพศแห่งสมณะนี้เป็นเพศที่รวมอยู่ด้วยความดีทั้งหลายูดถึงเรื่องความสงบความอดความทนก็คือเพศสมณะเพศพระของเรา เหนือนพระธุรงกรรมฐานนี้ความอดความทนก็รวมอยู่ที่นี่ความอุตสาห์พยายามทุกด้านความพินิจพิจารณาไข้ควรก็อยู่กับเพศของของพระนี้เท่านั้นเป็น ส, สิ่งสำคัญยิ่งกว่าเพศอื่นใดแต่เรากลับตรงกันข้ามแล้วเราจะหวังอะไรเพราะทำเหล่านี้เป็นทำเครื่องบุกเบิกเพื่อมรักผลนิพพานโดยตรงถ้าไม่มีอันนี้จะ อ, อะไรบุกเบิกจะให้กิเลสมันพะบุกเบิกไปนิ สวรรค์ น, นิพานนี้มันเคยจมเพร่อกิเลสนี้มามากต่อมากแล้วเรายังไม่เข็ดไม่หลาบเรายังไม่รู้ตัวอยู่หรือว่ากิเลสนี้เป็นเที่ยงชูเป็นเครื่องถูรากเราลงไปไม่ใช่ดึงเราลากเราขึ้นสู่มรรคผล น, นิพานที่ไหนดีมันน่าคิดอยู่มากนะผู้ปฏิบัติไม่คิดใครจะคิดผู้ปฏิบัติ ไม่อุตสาห์พยายามเพื่อก้าวตนไปตามหลักธรรมแล้วใครจะก้าวใครจะประพฤติปฏิบัติใครจะอดใครจะทนใครจะสู้กิเลสกิเลสอยู่กับหัวใจใครถ้ามาอยู่กับหัวใจเรานี้การส่ต่อสู้กิเลสได้จากการคล้อยตามมันอย่างนั้นไม่เคยมีในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าขอให้คุณทราบภายในจิตใจแล้วตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติ กำจัดสิ่งที่เป็นภัยซึ่งปราบทั้งหลายก็ตําหนิมาหลายกลับหลายกันแล้วว่าเป็นภยัยเป็นภัยต่อจิตใจเราจะเห็นว่าเป็นคุณส่วนมากคิดออกในแง่ในมุมใดมันมีแต่เรื่องของกิเลสทํางานแต่ตั้งนั้นจะทำอย่างไงทําทํางานมีน้อยนิดเดียวนิดเดียวมันก็ไม่ทันกัน การเดินจงกรมก็เอาให้เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆนั่งสมาธิก็ให้เป็นการเป็นงานจริงๆการรักษาจิตด้วยสติก็ให้เป็นการเป็นงานเป็นภาระที่สำคัญมากในชีวิตจิตใจของนักบวชจริงๆนั่นแหละจะเป็นทางก้าวเดินเพื่อสู่มรรคผลนิพพานได้โดยไม่ต้องสงสัยถ้าเราได้พยายามอย่าง เดินก็ให้เห็นทุกข์ในการเดินจริงๆจนกลายเป็นทุกขะศัตร์ขึ้นมาในเอียบทแ่่งการเดินนั่งก็อาให้เห็นอริยสัจขึ้นมาจากความทุกข์ที่นั่งนานเป็นอย่างไรบ้างทุกข์ธรรมดาเราก็เคยเห็นส่วนมากมักจะถือว่าทุกข์นี้เป็นภัยต่อเราเพราะยังไม่เข้าถึงกันจริงๆกับทางภาคปฏิบัติมีปัญญาเป็นสติปัญญาเป็นสาคัญ ที่จะต่ อ, อกรกันกับทุกทั้งหลายให้ทราบความจริงของการละกันจนกลายเป็นสัจธรรมขึ้นมานี่เราก็ไม่เคยเห็นด้วยการนั่งของเราด้วยการเดินของเราด้วยการบังคับจิตของเร า, เามันยากขนาดไหนการบังคับจิตให้มันเห็นจนกลายเป็นสัจธรรมขึ้นมาแล้วจะสิ่งทัี่ทั้งหลายเหล่านี้จะกลายเป็นเรื่องสัจธรรมโดยทั่วกันไม่มีสิ่งใดว่าเป็นวสิ่งควรตหนิชมเมื่อเข้าถึงกันจริงๆแล้วระหว่างสัจธรรม เข้าถึงกันแล้วกลายเป็นความจริงขึ้นมาทุกสัตว์ทุกส่วนไม่มีข้อที่จะควรตําหนิจุดใดเงื่อนใดเป็นของจริงเสมอกันหไม่ว่าทุกไม่ว่าสมุทยัยไม่ว่านิโรธไม่ว่ามักนั่นนักปฏิบัติพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านผ่านไปด้วยวิธีการเหล่านี้แล้วนะเราเป็นนักปฏิบัติเราจะผ่านไปด้วยวิธีการใดเอะก็มีแต่ความกลัวทุกข์กลัวตายกวัวคุาม ตัวความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะการเดินมากนั่งมากเพราะการรักษาจิตเห็นว่าเป็นความไม่สะดวกสบายไหลไปตามทิ่เลสมันสบายที่ไหนเข้าไปจนกรอกเป็นมุมอยู่ในในรกอเวจีมากกี่กลับกี่คันแล้วหรือเรายังไม่เชื่อหรือว่านรกอเวจีมีถ้าเรายังไม่เชื่ออยู่ตราบใดนั้นแหละเราจะจมอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งความเชื่อได้เกิดเมื่อไหร่นั่นแะ่ะมันถึงจะมีแก่กีแก่ใจตะเกียกตะกาย เสือคานออกมาจากนั้นด้วยข้อวัดปฏิบัติด้วยการสร้างความดีทั้งหลายแล้วจะพ้นจากนรกอเวกีจนได้ใครจะเป็นผู้แม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเก<ม>ี่ยวกับเรื่องนรกอเวกีทุกลุ่มสวรรค์นินพนานไม่มีที่จะเกินความอย่า ง, างทราบของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายไปได้เลย<ม>เหตุใดเราจึงไม่เชื่อเห็ในใดเราจึงนอนใจ ในสิ่งที่ควรจะละในสิ่งที่ควรจะบําเพ็ญมันนอนใจทั้งสองอย่างสิ่งที่จะละมันก็นอนใจไม่สนใจจะละหือละก็สักแต่ว่ากิริยาสิ่งที่บําเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นเช่นบําเพ็ญสติปัญญาอย่างนี้มันก็ทําเล็กๆน้อยๆไม่เป็นพอเป็นเนื้อเป็นหนังอะไรได้ผลจะเป็นขึ้นมาอย่างไรนั้นก็ไม่ได้เรื่องอและอยู่กับความลําบากลําบนทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่เห็นความลําบาก ว่าเป็นสาระอะไรจากทางขติปัญญาบ้างเลยเงินใช้ไม่ได้อย่างนั้นผู้ปฏิบัติต้องให้เห็นตามหลักความจริงสิแล้วเดินเดินจงกรมเป็นยังไงมันทุกข์ขนาดไหนให้มันเห็นเรื่องกองทุกข์ที่เกิดจากการเดินจนจะก้าวไม่ออกให้มันเห็นดูที่ว่ามันเป็นยังไงให้มันทันกันสิเดินจงกรมมันทุกข์มันลําบากมันทุกข์ลาบากไงกําหนดดูทุกตัวมันแสดงขึ้นมา มันทุกยังไงมันลําบากยังไงใครจะรู้ตามเห็น <c oughs> ตา ม, <c oughs> ตามในสิ่งที่ปรากฏตรงนี้เพราะนี้เป็นสัจธร ร, รมโดยแท้ถ้าไม่ใช่สติปรรัญญาจะไม่มีใครตามทราบเมื่อเป็นฉะนั้นต้องเอาสติปัญญามาใช้ในเวลามันทุกข์ออกมาด้วยการเดินด้วยการนั่งนั่งก็เหมือนกันเราไม่ต้องกลัวคําว่าเป็นมาตายไม่มีอะไรละในขณะนั้นไปที่ไปคิดว่ามันเป็นมันตายมีแต่เป็นของจริงด้วยกันทางนั้นพิจารณาให้เห็นของจริงมาแล้วเราจะเห็นของอาจัญ์ อันหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในถ้ากลางแห่งความจริงนั่นคืออะไร น, นั่นอันนี้ไม่บอกก็รู้นี่เพียงเท่านี้ก่อนนะเพียงว่าอะไรความอัศจรรย์ที่อยู่ในถ้ากลางนั้นเพียงเท่านี้ท่านเลยจากนี้ไปแล้วก็คือความบริสุทธิ์ผุดขึ้นมาในถ้ากลางแห่งสัจธรรมที่บําเพ็ญให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วไม่มีทางสงสัยว่าจิต จะไม่รับการกลั่นกรองออกมาจากอริยสัจทั้งสีนี้เยินท่านเพราะฉะนั้นปราชทั้งหลายท่านจึงยกอริยรสัจสนี้ว่าเป็นธรรมของจริงอันประเสริฐอันประเสริฐก็ท่านได้รับความประเสริฐจากสัจธรรมนี้เมื่อเข้าถึงอันจริงแล้วอันไหนเป็นข่าสึบต่ออะไรไม่เห็นมีเอาที่ปฏิบัติทิ่นะักปฏิบัติทั้งหลายย่าให้มีแต่มาพูดก็ก็ก็ อ, อ, อ, อ, อ, อยู่นี่มีแต่ลมปากเหมือนก็นมาโกหกหมู่เพื่อนเอาลงให้มันเห็นดูสิวนะ่ามันจะเป็นยังไงจะมีที่ค้านกันได้ไหม รู้ว่าอริยสัจสีนี้เป็นธรรมของกิง่งเป็นธรรมของกิ่งอย่างประเสริฐนี่ให้ถึงดูสิเป็นยังไงทุกที่เราเคยตําหนิติดเตียนว่ามันเป็นค่าสืบฆ่าสืบมาตั้งแต่นาตลายก็ดีสมุทัยว่ามันเป็นค่าสืบมาแต่นาตรายก็ดีเอามากคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นสําคัญตามเข้าไปสิให้เห็นให้ทันกันให้ถึงกันเมื่อต่างอันต่างถึงกันแล้วจะไม่มีธรมธรมชาติใดตําหนิธรรมชาติใดเลยนั่น การปฏิบัติการประกอบความเพียรให้ถึงความเพียรการปฏิบัติปฏิบัติตามหลักสัจธรรมที่องค์ศาสดาสอนไว้จนถึงดขั้นความบริสุทธิ์ตัวก็ให้มันถึงสัธจธรรมความจ ร, ร, มมริงสิแล้วมันจะเป็นอะไรออกมาความรู้จะอะไรชนิดไหนจะออกมาจากทรามกลางแห่งสัจธรรมที่เป็นของจริงเต็มส่วนแต่และอย่างละอย่างเป็นของจริงเต็มส่วนแล้วจะมีอะไรแสดงออกมา สิ่งที่แสดงมานั้นจะเป็นของเลิอของประเสริฐหรือเป็นของเลวสามประการใดจะทราบเองในผู้ปฏิบัตินี่เพียงทำหยอกหยอกแยดแแล้วก็จะทวงอามคุณผลนิพพานอมผลนิพพานมันบ้ากรรมฐานบ้าอย่างนั้นเหตุไม่สมผลก็จะเอาผลมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหตุไม่สมผลก็จะโดดข้ามโลกข้ามทงกสาร ท, ทั้งท่าที่กิเลสเต็มหัวใจอยู่ด้วยความขี้เกียจชี้ค้านความไม่เอาไหนมันเป็นอะไรอย่างนั้นนักปฏิบัติเรา พิจรณาขุดค้นลงไปสินักปฏิบัติไม่มีความกล้าหาญชาญชายัยใครจะกล้าหาญชันชยัยพระพุทธเจ้าพาให้อ่อนแอทอแท้เป็นนักแพ้สงครามเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าเป็นนักต่อสู้ในสงครามถึงขั้นสลบชะไหลผลสุดท้ายได้ชัยชนะอย่างเอกขึ้นมาเป็นศาสดาสอนโลกเห็นไหมนั่นท่านทอดแท้ที่ตรงไหนท่านอ่อนแอที่ตรงไหนชาวกแต่ละองค์ละองค์ก็เหมือนกันเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้า จนกระทั่งท่านท่านท่านเป็นสังฆังพนางกษัตรมีของพวกเราท่านไม่ใช่ผู้อ่อนแอท่านเหล่านี้เราปฏิบัติอย่างไรมันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวสัจธรรมก็แบกหางมันอยู่ทุกวันทุกวันนี่ทำไมไม่เอามาคขี่ใครดูให้มันเห็นประจักษ์น่ะเป็นยังไงสัจธรรมศาติดารู้เป็นยังไงพระสาวกท่านรู้สัจธรรมว่าเป็นของจริงอันประเสรศิฐเป็นยังไงหัวใจเราเมื่อเจอสัจธรรมเมื่อไรมันถึงมันถึงเหลวลงเหลวลงมันไม่อยากพินิจพิจารณา มันกลัวทุกแต่แบกแต่ทุกอยู่ตลอดเวลากลัวทุกกลัวเฉยเฉยกว่าลมนมแรงแรงกลัวหาเหตุผลไม่ได้แต่สร้างแต่เรื่องความสาเหตุที่เกิดทุกขึ้นมาเผารุนกิจใจด้วยความคิดความภูมิต่างๆอันเป็นเรื่องของสมทุทัยมันถูกต้องที่ไหนมันเป็นัจธรรมอะไรอย่างนั้นเฮี <S <S <S ปีนาสิถ้าลงเป็นสัจธรรมแล้วมันจะเห็นเป็นจริงตามหลักธรรมชาติด้วยการทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงทั้งหมดนั่นแหละความเลิศเลย ถึงจะยังไม่พ้นจากกิเลสก็ตามจะเห็นความเลิศเลอปรากฏขึ้นในท่ามกลางแห่งสัจธรรมที่ถึงกันแล้วด้วยความเป็นของจริงด้วยกันไม่เป็นอย่างอื่นเลยเอาเอาปฏิบัติดูสินักปฏิบัติทําไหมทำของพระพุทธเจ้านี้จะอยู่ห่างไกลจนเลยทวีปเลยอินเดียไปเหรือมันไม่มีอยู่ในร่างกายจิตใจของเราเลยซึ่งเป็นเรือนสัจธรรมโดยแท้มีอยู่ในกายในใจของเหล่านี้ทุกข์อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่กายที่ใจนี่ใช่ไหม กายใจของไทยใครเป็นผู้รับทราบเรื่องทุกเรื่องสมุทรไทยถ้าไม่ใช่หัวใจของเราดวงนี้รับทราบจะเป็นใจดวงไหนรับทราบเอาสติปัญญานํามาใช้พิณิพิจารณาเรื่องของทุกของสมุทรไทยซึ่งเป็นสัลธรรมสองเมืองต้นนีส้สิเป็นยังไงเอาความเพียรหนุนเข้าไปความบดความท้นหนุนเข้าไปเพื่อรู้ความจริงแต่จะไป ห, หมุนไปอย่างอื่นถ้ากลัวเป็นกลัวาตายแล้วเท่านั้นไม่มีการรู้ไม่ต้องมาพูดเรื่องเป็นเรื่องตายให้หมุนเข้าไปตั้งแต่ เรื่องอยากจะทราบความจริงในทุก Christina, เป็นยังไงในสมุทัยเป็นยังไงด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรหมุนเข้าไปมันทุกข์ที่ตรงไหนมันเจ็บที่ตรงไหนดูที่ทุกข์ที่เจ็บนั้นด้วยสติด้วยปัญญาเพื่อทราบความจริงนะอยาอยากให้มันหายถ้าอยากให้มันหายแต่ละยิ่งเพิ่มความอยากให้หายความอยากนี่แหละเป็นสมุทยัยยากประเภทนี้เป็นสมุทยัยยากทราบความจริงนี้เป็นมักเอาพิจารณาลงไปจนกระทั่งถึง ทราบความจริงจะไม่เป็นอย่างอื่นเลยเพราะสัจธรรมเคยเป็นของจริงมามากต่อมากนานแสนนานแล้วทําไมจะไม่จริงถ้าเราเป็นผู้ตั้งใจคู้ปฏิบัติจริงๆแล้วเราจะได้เจออย่างจังๆภายในจิตใจของเราแล้วจะได้กราบพระพุทธเจ้วอย่างราบโดยไม่ได้เห็นพระองค์ท่านแหละเพราะองค์ท่านแท้คืออะไรนี่ก็ร่องรอยที่จะก้าวเข้าสู่หาความเป็นองค์สัจเพื่อพบองค์ศัสดาได้จากแาจิตที่บริสุทธิ์ของท่านออกจากสัจธรรมทั้งสีนี่แหละจะไปจากไหน จะทําทั้งสีนี้เป็นธรรมชาติที่กั้นกรองจิตให้บริสุทธิ์ได้โดยไม่ต้องสงสัยนับแต่พระพุทธเจ้าองค์พระองค์แรกมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็ตามในอนาคตกางข้างหน้าจะนอกเหนือไปจากอริยสัจธรรมอริยสัจ ธ, ธ, ธรรมทั้งสีนี้เป็นทำเครื่องกั้นกรองไม่ได้เลยพระสงฆ์สาวกก็เหมือนกันแล้วเราจะเป็นคนประเทไหนถึงไ ม, ไม่ได้อยู่ในขายแห่งธรรมทั้งหลายแห่งท่านผู้รู้ทั้งหลายเหล่านี้ เราไปอยู่ในโลกใดแดนใดทิศใดสนาธรรมของเราไปอยู่แดนใดทิศใดหรือสนาธรรมของอริยศาสตร์ของเราคือทุกสมุทัยเหล่านี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือเวลานี้ไม่ได้อยู่ในกายในใจของเราเหรือสติปัญญาไปต้มแกงไว้ที่ไหนเขาหูมต้มแกงให้กินทุกวันนี้เป็นเรื่องของสติปัญญาเหรือเราไม่ได้คิดไปบ้างเหรอเอาให้กินจังที่นักปฏิบัติมองดูแล้วมันขวางหูขวางตานอ่อนหัวใจไปจะไม่ทราบเป็นยังไง มันมีแต่ออนแต่แอ้างมีอยู่มากทลายมามากทลายยิ่งทําให้หนักเข้าไปโดยลำดับทั้งที่มันมีเจตนาที่จะมาทําให้หนักแต่สิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์นั้นมันขัดมันคล้องมันยุ่งมันเหยิงกับอัดกับทำเพื่อมรกริพรานอยู่ตลอดเวลาทําไมจะไม่พูดบ้างละ่ะพิจารณาสิไอ้มันเห็นครั่งตัวบ้างที่มันเป็นยังไงการประกอบความภาคเพียนนี่เอาให้เอาพารณาให้มันเห็นเรื่องของทุกข์ของสมุทยัย มันจะทุกขนาดไหนอาตามมันให้ให้มันเห็นชัดในอียบุตรใดก็ตามนี่มาไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงๆเพราะได้ปฏิบัติมาอย่างนี้จริงๆแล้วก็รู้จริงๆด้วยนะไม่แช่คุยนะจึงได้กล้าสามารถนํามาพูดให้หมู่เพื่อนฟังทำพูดไม่ได้มีเหรออทำพระเจ้าเพื่อรู้เพื่อเห็นเพื่อเพื่อพูดเพื่อประกาศสอนทำให้ได้เป็นสิริมงคลแก่ผู้เกี่ยวข้องมาตั้งแต่ครั้งพระศิษยเจ้าจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ทําไมจะพูดไม่ได้ว่า เอาลงปฏิบัติดูสิถึงไม่พูดมันก็มันก็เด่นอยู่ในหัวใจนั่นแหละอืถ้าลงเป็นของจริงแล้วไม่เป็นอย่างอื่นเอาให้จริงสินี่ก็พูดให้ฟังไม่รู้กี่ครั้งกี่หนพูดเพื่อโอ้เพอวดที่ไหนมีเมื่อไรมีแม้ทําเมติแม่สายก็ไม่เคยปรากฏและลึกไม่ได้เลยว่าได้พูดเพื่อความโอ้อวดนอกจากพูดด้วยความเมตตาสงสารหมู่เพื่อนที่เห็นมามาเกาะมากเกี่ยวมาจากที่ไหนอืจังหวัดใดภาคใดกมาเต็มอยู่ที่นี่ทั้งนั้น ก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนเต็มในสติกำลังความสามารถไม่ได้มีนี่รับอะไรเลยแล้วให้พึงทราบว่าความเพียรเท่านั้นที่จะสามารถพังกิเลสลงได้ความอดความทนความอุตสาห์พยายามด้วยสติปัญญาเป็นของสำคัญนี่แหละกิเลสมีเท่าไหร่พังได้โดยไม่ต้องสงสัยขอให้ตั้งอกตั้งใจไปปฏิบัติเถอดทาไม่เป็นอื่นทําคือทําอยู่โดยตรงกิเลสก็ไม่เป็นอื่นกิเลสคือกิเลสอยู่นั่นแหละออื พระพุทธเจ้าแก้มาได้สาวกแก้มาได้เราเป็นลูกศิษย์สถาคตทำไมมันจะแก้มาได้ถ้าจะแก้ถ้าแก้น่ะนอกจากจะนอนให้กิเลสเหยียบย่าทําลายอยู่ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็บนหาแต่คะแนนเรื่องมรรคผลนิพพานแล้วก็เป็นผู้ให้คะแนนตาหนิคะแนนพระพุทธเจ้าทํามูจ้าทำไมไมาให้ผลจะให้ผลไังไงก็กิเลสมันเหยียบย่ําทําลายตลอดเวลามีแต่กิเลสทํางานผลก็คือเรื่องของกิเลสมีแต่เรื่องความทุกข์ความทรามานภายในจิตใจสิวันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่เรื่องกิเลส ทำงานอยู่ในหัวใจทำจะทำไม่ได้แม้แต่นิดหนึง่งเวลาหนึง่งเป็นความทุกข์ความลําบากไปเสียหมดถ้าพอจะก้าวออกสู่งานของธรรมกายฤทธิ์ท่านหลงทั้งวันทั้งคืนจะเป็นท่ารเหมือนคนไม่มีหัวใจ ท, ทั้งทั้งที่เราก็รู้อยู่ว่าทุกข์แต่สาเหตุมันเป็นมาเพราะอะไรไม่สนใจพิจารณาสิมันถึงไม่รู้เรื่องเงือนต้นเงื่อ น, องงอนปลายของมันก็เท่ากับว่าไม่รู้เรื่องสัจธรํานั่นเองตั้งใจปฏิบัติมันจะหมดแล้วนะเวลานี้ ธุดงกรรมาฐานเรานั้นจะมีแต่ชื่อนะความจริงจังกับการปฏิบัติเพื่อเอามรักเอาผลดังศาสดาสอนไว้จะไม่มีดีไม่นีลบล้างทาที่ท่านสอนไว้ไปอีกนี่ด้วยความรู้ความเห็นความถนัดใจของตัวที่กิเลสมันห้่มห่อจนมิดชิดภายนจิตใจจนจะแยบออกมาหาอรธาธรรมไม่เจอเลยนั่นมันก็ยังกล้ามาพูดได้ ด้วยความถนัดใจของตนด้วยความสาคัญของตนว่าถูกยิ่งกว่าธรรมของพระเจ้ามีอยู่เยอะนะระวังนะมันจะมาแต่งคัมภีรขึ้นมาภายในหัวใจของเราเดี๋ยววันนรกไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีเทวโลกพรหมโลกมันมีเทวบุตรเทวดาอินทพมไม่มีเปรตผีไม่มีมันจะไปแล้วนะตาะบอดนี่แหละมันเที่ยวลบเท้ล้างไปหมดผู้ตาดีที่บอกไว้สอนไวทุกสิ่งทุกอย่างใครเป็นคนตาดีใครจะเกินระพูดแต่เจ้า เรื่องปัญญาญาณอย่างทราบปรตลอดตัวถึงตามสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายไม่ลําเอียงสอนไม่โดยถูกต้องแน่นยัางไอ้พ้นตาผู้ตาบอดมันจะไปเที่ยวลบล้างไปหมดนั่นนั่นสิและนอกจากจะของลบล้างแล้วยังระบายหรือยังประกาศคนอื่นให้งู้ให้เขาเบาปัญญาขายความเสื่อซ่าขายความเร็วสามตัวเองอีกให้ระบาดสากอาจายเหม็นคลุ้งไปหมดในวงศาสนาของพระพุทธเจ้าลูกศิษย์ทศกัณนั่นแหละมันเป็นผู้ทําลายศาสดาคําสอนของศาสดาจะเป็นใครไปอืม ้นรกไม่มีสวรรค์ไม่มีเอเทวบุตรเทวดาไม่มี เ, เทวบุตรเทวดาก็เรานี่แหละนั่นดึงเข้ามาแล้วดึงเข้ามาเรามันทําอะไรพอจะเป็นเทวบุตรเทวดาได้มันเหมือนขีอยู่เวลานี้เป็นผู้ขัดแย้งต่อธรรมรูญเจา้า <c oughs> เป็นผู้ทําลายธรรมรูญเ <c oughs> จ้าอยู่ด้วยความสําคัญมั่นหมายว่าตนเฉลียวฉลาดอยู่เวลานี้คือใครถ้าไม่ใช่เทวทัตอยู่ในร่างของเรานั่นหรือผู้ที่จะยังโลกให้เจริญ รุ่งเดือนนั่นหรือเป็นผู้ที่จะเป็นเทบุตเทวดาอุบายวิธีการอย่างนี้หรืออุบายของเทบุตรเทวดาความรู้อย่างนี้หรือความรู้ของคนที่เป็นเทบุตเทวดานอกจากจะมันสัตว์โลกทั้งเป็นนี้เท่านั้นให้ระวังใ น, นเรื่องเหล่านี้มันจะเป็นตั้งคำภีร์ขึ้นมาภายในหัวใจของผู้ปฏิบัติเรานี่แหละของชาวพุทธเรานี่แหละมันมีอยู่มากแล้วเมลานี่อ่านไปมันก็เจอเองอ่ะอืมแต่งเอาตามชอบใจเขียนเอาตามชอบใจไม่คํานึงถึงเหตุถึงผลดีชั่วประการใด ขอให้ปฏิบัติซะก่อนหนะเรื่องมันนะเอาปฏิบัติบาไม่มีจริงเอาปฏิบัติลงไปให้มันเห็นมันรู้ว่าไม่มีจริงๆให้มันเห็นชัดๆนะนรกมีหรือไม่มใีให้รู้ด้วยภาคปฏิบัติอย่ารู้ด้วยความดุนดาเกาหมากักหลอกโลกเรากของสารเขาเฉยๆมันจะประกาศความโง่วงตนให้ซ้ําลงไปอีกเร็วลงไปอีกยิ่งกว่าโลกกว่าสัตว์เรื่ฉันเข้าไปอีกนะเห็นแล้วมัดระวังนะตรงนี้นะเอาปฏิบัติลงไปให้จริงสิเป็นยังไงศาสตราจาี่สอนโลกลวงจริงๆริงหรืลวงโลก สังฆังสัณักฉามีลวงโลกจริงหรือทำมังสนณักฉามีไม่มีหรือลวงโลกเฉยหรือพุทธังสัณักฉามีที่ตรัสรู้ทำพูดแต่ลมปากเฉยหรื อ, อมันเห็นโดยการปฏิบัติที่ทรงสอนไว้เนี่ยโดยถูกต้องแล้วอ้าวฟันไปยังไงถ้าไม่กราบพระพุทธเจ้าอย่างราบไม่มีอย่างอื่นขอให้ปฏิบัติตามหลักธรรมนี้เถอะมันจะไปไหนนรกมันมีไม่ไม่มีมันใครบ้าสอนไว้นรกไม่มีบ้านนรกมีนะพี่นายที่ นีเรื่องของกิเลสมันเที่ยวลบล้างทำลบล้างความจริงมันเพื่อปลอมไปหมดของว่ามีมันว่าไม่มีของไม่มีมันว่ามีมันอยู่ในหัวใจของเราทุกคนทุกท่านอยู่แล้มันสำนิกผู้หนึ่งผู้ใดและดูเราเนี่ยพิจารณาสิบางเลามันจะเป็นความขี้เกียจขี้้านเป็นสว่างนิมานขึ้นมาแล้วนะทางยังโก้ไม่ไม่มองเห็นนั่งสมาธิภาวนามันก็ไม่มองเห็นว่าเป็นความหยุดความดีอะไรสู้ความขี้เกียจขี้้านนอนตามชอบใจไม่ได้นี่เหล่านี้มีแต่มันสร้างขึ้นมาคัมภีร์ ในหัวใจของระเทวทัตขึ้นมาในหัวใจเราเนี่ยพากันละมัด ร, ระวังนะเวลานี้มันเป็นอยู่แล้วนะหัวใจเรานี่มันวิมานของเทวทัตนะนะจะเป็นอะไรไปที่ไหนไปใครจะสอนได้โดยอย่างถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าจัตตดาองค์เองปฏิบัติลงไปยอมเองพราะทาทุก ทุกแย่ทุกมุมที่ทรงสอนไว้ไม่มีผิดเพี้ยนจากความจริงไปตรงไหนขอปฏิบัติตามหลักความจริงที่ทรงสอนไว้นั้นเถิดจะเจอสิ่งที่พระองค์ประกาศสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมทีเดียวนอกจากความสามารถเราไม่มีเราก็อาจไม่เห็นไม่รู้ได้เพราะเราไม่ใช่พูทธวิสัยคือวิสัยของาศาสดาเหมือนพระองค์เราเป็นวิสัยของคนธรรมดาเท่าเป็นสาวกกสาว ก, กวิสัยอย่างเป็นวิสัยของผู้ปฏิบัติ ตามรอยของศาสดาไม่ใช่เป็นผู้เก่งกว่ า, าสัตดาหรือเสมอศาสดาพอที่จะรู้ไปเสียทุกแง่ทุกมุมสิ่งใดที่เรารู้แล้วเห็นแล้วตามทางศาสดานั้นแหละเป็นสักขีพยานว่าสิ่งที่เราไม่รู้ก็มีอย่างนี้เห็นอย่างนี้แต่เรายังไม่รู้เรายังไม่เห็นเนี่ยเราเห็นแค่รู้แค่เห็นตามความสามารถของเรานี่ก็เป็นสักขีพยานยืนยันกันแล้วขอให้ทุกท่านังใจประพฤติปฏิบัตินะให้เห็นได้ทรงสิมรรคผลนิพพานมีอยู่กับใครเท่า ม, มีอยู่กับผู้ปฏิบัติ ให้มีอยู่ที่อื่นไม่มีพูดกงกงอย่างนี้เลยเาใครจะว่าบ้าก็บ้าเถอะมีอยู่ในภาคปฏิบัตินี้เท่านั้นพระองค์ทรงสอนว่าอย่างไรปริญญาศึกษาเราเรียนเข็มทิศทางเดินมาแล้วปฏิบัติเราก้าวเดินตามเข็มทิศทางเดินที่ที่ศึกษา เ, าเรียนมาแล้วที่ปฏิเวทคือความรู้แจ้งแทางทะลุผลของจากเกิดจากปฏิบัติจากการปฏิบัติจะไปไหนถ้าไม่ปรากฏขึ้นมากับผู้ปฏิบัตินั้นภาษาวอกล้วนแล้วแต่เป็นผู้ปฏิบัติ ที่เป็นสัน้ว์นางกระฉามีของพวกเรานี่ไม่ใช่ผู้เรียนมาเฉยๆจำมาเฉยนอนเอกขณ์เอกอยู่แล้วก็เอ า, เอาสร้างมรรคผลนิพพานขึ้นมาในหัวใจด้วยการหลับนอนไม่เคยมีในคัมภีร์ไหนเห็นแต่แทบล้มแทบตายกันทั้งนั้นกว่าท่านจะได้มาปฏิบัติได้มาผลมาเป็นครองนี่เป็นสมบัติอันล้นค่าของท่านเองนี่ก็ให้พึงตั้งใจไปปฏิบัติอย่างนั้นจะสมเหตุสมผลดังเราเป็นนักปฏิบัติ เรื่องใดอย่ายุ่งโลกนี้เคยมีมานานตาเคยดูมานานมันให้ความพิเศษพิสูอะไรพอที่จะหลงบ้ากับมันอยู่ตลอดเวลาอยากดูอยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังตาหูจมูกเล่นการกินนี่ถ้าไม่สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้มันจะสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรมันเลิศเลออะไรตารูปเสียงกิ่นลดเครื่องสัมผัสที่เราสัมผัสสัมพันธ์อยู่ทุกวันด้วยตาหูจมูกเล่นการน่ละอะไรมันเลิศมันประเสริฐพอที่จะเป็นบ้าตลอดเวลาไม่ล้างจิตใจไว้เข้ามาสูภูมิอัดภูมิธทม ภายใจิตใจนี้บ้างเลยยิดมันชิดอะไรมันอยากอะไรความอยากนะั้นมันเป็นผลประโยชน์อะไรบ้างเอามาชัาง่งเอามาตวงดูสิผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะเทียบเคียงเหตุผลหนักเบาได้อย่างชัดเจนจากการปฏิบัติของตนเพีงเรื่องความอยากเดินตามความอยากตายที่กระเป๋านะอืไม่มีวันที่จะได้เจอของจริงแหละของดีเหละจะมีแต่ลมแต่แรงเล้วแหลกแวกแนวไปอย่างนั้น อ, อ่ะละพอเหนื่อยแล้ว